สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99จากเรื่องของคุณเบนเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่เรื่องนี้คุณผู้ฟังครับวันนี้น่าจะอยู่กันถึงตีสอกว่าๆเลยครับเราจะมากันที่สายของคุณ k i ิงครับ King of Ghost ไม่ได้คุยกับเขานานมาก และเดาว่าเขาคงจะโอ้โหงานเยอะยุ่งด้วยนะครับวันนี้คุณคิงแวะเวียนมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญให้พวกเราได้ฟังกันครับวันนี้มาพร้อมกับประสบการณ์2เรื่องครับเรื่องแรกที่คุณคิงจะเล่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโรงเรียนเก่าของคุณคิงครับใช้ชื่อเรื่องว่าห้องปิดเรียนเปิด หลังจากนั้นจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องที่คุณคิงบอกว่าถูกและดีไม่มีในโลกอันนี้เป็นประสบการณ์ร่วมครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายปิดท้ายของเราในค่ำคืนวันนี้จากสายของคุณคิงครับสวัสดีครับคุณคิงขอบคุณครับ ค, คิดถึงสั้นๆเลย <laughs> คิดถึงเ อ, อ บ, รรบเราไม่ได้คุยกันพักใหญ่มากเลยคุณคิง ใหญ่ๆเลยนะครับใหญ่ๆเลยยุ่งใช่ไหมครับโอ้นะครับเราก็รู้ว่าคุณคิงทําเกี่ยวกับการปั้นพระนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การทํางานแ<ช>ต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรคีับคแม่เร่งทันที่นะครับเพื่อปให้ทันเข้ารษาเนี่ยอ๋ออ๋อใช่ใช่คือตอนนี้เร่งงานใช่มใช่เพื่อที่ให้ทันเข้าพรรษาเนาะ ดเดี๋ยวถามก่อนสุขภาพร่างกายตอนนี้สบายดีนะคุณคิงก็โอเคครับพี่มันมันไม่ได้เป็นช่วงของการปันพานัาหนักเป็นการตกแต่งมากกว่า<อ>แล้วก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วแล้วแต่คนกลงไปอ๋อโอเคโอเคมาคุณคิงทุกคนรอฟังเรื่องของคุณคิงนะตอนนี้ยังอยู่กับเราอีกเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าท่านที่ฟังสดอยู่นะตอนนี้นะฮะ ครับอ่าวันนี้มาสองเรื่องสั้นๆของคุณคิงครั บ, รบอืมมาว่ากันที่เรื่องแรกกันเลยครับคุณคิงเรื่องนี้บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับโรงเรียนเก่าของคุณคิงใช่ครับอ่านะครับเป็นยังไงครับเรื่องที่บอกว่าเป็นห้องปิดเรียนเปิดคุณคิงเอ่อโรง เ, เ, เรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนเดียวกับที่ผมเคยเล่าให้พี่แจ็คฟัง เรื่องอ่าที่ผมเข้าค่ายในหมู่ลูกเสือเมื่อนานแล้วจะมาได้ผมว่ายาว่าเราทั้งมันชื่อว่าอะไรอาา่ะฮะอาา่ะฮะนี้ผมเริ่มเลยเนาะได้เลยครับผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นเด็กผู้ชายทั่วไปอะที่มันก็มีเกรดรบ้างอะไรบ้างครับใ น, นเวลาที่เขาเรีออยนกันอ่ะผมก็จะมีบางบางวันที่เราจะโดดโดดบางวิชาที่เราไม่ชอ บ, ชบ ไปนั่งอยู่โรงอาหารก็มีะมพะโล่ที่เราสนิทกันเนี่ยนิทแบบชิทที่ว่าแคกก่พูดมึงกูเหมือนี้เราเป็นลูกเป็นหลานแล้นะแล้วก็แต่เขาไม่ใช่ใครอื่นคนแถวแถวบ้านอย่างเงี้ยครับแล้วก็นั่งคุยกันอยู่ประจำจนมีวันหนึ่งแกเล่าเรื่องที่เราทุกคนสนใจครับซึ่งผมจะโดดเรียนแล้วก็จะไปนั่งใต้อาคารอาคารเนี้ยตลอด เราจะเห็นตลอดว่าห้องเนี้เป็นห้องที่ล็อกและปิดตายอยู่ตลอด uh huh. ซึ่งถ้าเราคิดถึงอาคารเรียนน่าจะทําเหมือนเหือนกันหมดอือบ uh huh. เกืบอบทุ่งเรียนก็ uh huh. <c oughs> จะเป็นห้องใต้กระไดแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นห้องที่แบบมีปูนปิดสามฝั่งออื uh huh. มันเป็นติดแค่ครึ่งเรียนแต่หนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นประตูไม้อือ uh huh. ซึ่งสามารถเข้าไปใช้การเรียนการสอนข้างในาได้หรือจะทําอะไรก็ได้ข้างในานั้นครับ uh huh. แล้วมันดูดีประตูมันดูสะอาดอาตลอดเวลาแต่ตั้งแต่ผมเข้าไปเรียนม 1, หนึ่งไปจนมสองที่ <c oughs> ผมได้ยินเรื่องเนี้ยผมไม่เคยเห็นห้องเนี้เปิดเลยสักครั้งเดียวออืก็ <c oughs> <c oughs> เลยถามคุณลุงแกคุณลุงแกก็บอกว่าพวกมึงไม่รู้เหรอว่าโดดมานั่งที่นี่มันไม่ได้ปลอดภัยนักเนี่ยอื <c oughs> มึงไม่เคยเล่าให้ฟังเหรอครับ <c oughs> ผมบอกว่าท่านลุงไม่พูดผมไม่พูดใครก็ไม่มีใครรู้อืออันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับครับ คือแกก็ถามมาจ่าคนแก่แล้วก็เห็นเราเป็นลูกหลานชาวบ้านน<ะ>่ะแล้วเราก็จะมีแบบวุที่เราแอบปลุก uh huh. เอิงเรียนอย่างเงี้ยแเรวก็ให้แกเหมือนเส้นกันแล uh ้ว huh. ก็วม้ยจะไม่ทำหรอก uh huh. uh huh. จนวันนั้นนะแกวุ้ฟังว่าห้องนี้นะเว้ยตั้งแต่ก่อนผู้บุรุษมาเขามาเรียนเนะี uh ่ยครับเขาปิดอยูตลอดแต่มีการเรียนการสอนตลอดครับ uh huh. ปิดตลอดแต่มีการเรียนการสอนตลอดออื uh huh. ปิดปั้นว่าผมงง ง, งงงนี่เออผมกําลังจับต้นชนปลาอยู่ปิดมันปิดตลอดแต่มีการเรียนการสอนอยู่ตลอดใช่ครับเออเออเออผมก็เลยว่าเออผมก็ว่าออมันต้องมีการเรียนการสอนห้องมันดูสะอาดนะครับประตูตมันดูสะอาดสะอ้านตลอดเลยแต่ว่าผมมาอยู่นี่เนี่ยผมไม่เคยเห็นเขาเปิดเลยลุงเขาสอนตอนไหนสอนช่วงกี่โมงคาบไหนแกก็บอกหกโงเย็นของทุกวันอื ใจตอนนั้นผมคิดไปถึงเรื่องของการเรียนพิเศษครับแต่ผมมาเป็นนักวิ่งโรงเรียนไงผมก็มองผมก็ไม่เคยเห็นเปิดนะออืแล้วองมมึงเคยมานั่งแถวนี้หรือเปล่าล่ะไม่เคยนะผมก็วิ่งต้องวิ่งอยู่เอ่อมาลองมานั่งเดี๋ยวลุงจะได้ ย, ด ย, ยินหนึ่งผมก็เลยมาลองดูแต่แต่นะตอนที่ได้ยินวันนั้นนะผมไม่ได้นัดถึงวันนั้นเลยนะผมบอกพรุ่ง น, นี้ได้ไหมพรุ่ง น, นี้ผมมีซ้อมวันนี้ผมลับเร็วออื ลุงแกก็ขอบุ้ยไปอีกวันนึ่งแกบอกพ ร, รุ่งนี้ผมมิธุระเอามาเล่นเลยงานนันนันกันพอถึง ว, วันแล้วนังกันเสร็จผมเรามานั่งผมก็ซ้อมวิ่งซ้อมอะไรปุ๊บแล้วก็ปกติจะนั่งถ่ายอาคารฝั่งนูน้นซ้อมกับฟังอาจารย์บอกว่าทักษะการวิ่งต้องอะไรยังไงแต่คือเรามันเก่าแล้วอะอเราก็ไม่ต้องฟังมากแล้ ว, ลวก็หนีมานั่งเู่กบตอนเนี้ยอยู่กับลุงทะลุงเนี่ยขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแกนะครับกลัวว่าจะไปกระทบเพราะว่าแกก็ออกจบชีวิตเกียนแกมาได้ดีนะ อ่าอันนี้ผมก็นั่งอยู่นานมากอะพี่แจ๊ดนานอยู่ราวๆาท่านรู้เงินกว่าได้ครับจนมาเริ่มฟ้ามืดนะแต่ว่าผมเดินออกหลังโรงเรียนเนี่ยแล้วก็เดินไปไม่ไกลประมาณสองกิโลก็เป็นบ้านผมแล้วนะครับผมก็นั่งเล่นอยู่แกนั่งรอแล้วสักวัดเสียงที่เรา้องการก็มาคือเสียงเขาอี้ขยับเข้าในห้องได้ยินเหรอได้ยินชัดเจนเลย<อ>ครับที่ในอาคารเรียนเนี่ยตอนมืนมดๆเนี่ยไ<อ>ม่มีใครเลยแล้วมันดัง มันสมัยรุ่นที่ผมเรียนนี่ยมันเป็นครึงเหล็กตึงไม้เขเรียนนะครับอ่าแล้วมันจะดังแกรกแกรกแกรกเหมือนคนขยับไล่ล่าไอ้เสียงแล้วก็เสียงคนครับไอเสียงเก้าอี้หรือว่าโต๊ะเรียนเวลามันขยับในห้องเรียนน่ะอันเนี้ยมันคุ้นหูทุกคนอยู่แล้วทุกคนจะนึกว่านึกเสียงนี้ออกเลยอ่ะเออเออแล้วก็ตามด้วยเสียงของช็อตที่กละดดกระดานอ่ะฮย เหมือนแบบขิงเย็นเสร็จแล้วก็ขอขอเคาะขิงเยเส็จแล้วก็จุดขีงเยเส็จแล้วก็จุดครับครับผมก็เริ่มลุกขึ้นยืนนะนุ่งอะไรอ่ะมือใส่ใส่มึงไม่ใส่อก็อเดินออกมาไม่ต้องไวไวเพลงใจคุณครูแกครับเพลงใส่ใครมือไม่ต้องขามแล้วแกก็คอยดึงมือผม อ, ออกมานะออืคุณครูสุมารีถัด อ, ออกมาไม่ไกลเองนี่แต่แกดึงออกมาประมาณสักสี่ห้าโต๊ะเป็นโต้ะในโรงเรียนแล้วนะครับแล้วแกก็บอกคุณครูสุมารีออื แกเป็ครูเก่าที่นีอแล้ว <Ừ. S 2> แกก็เป็นลมลมผัดตายในห้องนั้นนะอร <Ừ. S 2> ือว่า <Ừ. S 2> เดี๋ยว <Ừ. S 2> ทําเป็นเล่นผมผมลูกผมคนลูกนั้นเดี๋ยวลงทําเป็นเล่นออื <Ừ. S 2> มันคือเรื่องจริงตอนนั้นไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ไม่เห็น ใ, นใัรประตูไ ม, ม่ได้บางทีเขาบอกว่าเวลามึงโดนเรียนมานั่งเรียนอย่างสักวันมึงจะเจอดีออื <Ừ. S 2> ผมก็ยังยินย่นยอยๆอยู่ว่าแต่เขาไม่เคยเจอไนงะ แต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กป่วยนะผมก็นั่งฟังอีกทั้งสองคนทำคนขอมกับคุณลุงเนี้ยยาก็เลยบอกคุณลุงว่าก่อนหน้าเรามีพอออกเป็นสองคนที่เข้ามาอยู่ได้ไม่นานแล้วออกไปอ่ะอเคยได้ยินเขาพูดครัคนแรกที่รู้สึกว่าจะป่วยคนที่สองนี่ลาออกยายบอกใช่ใช่เนี้ยแหละครูจุนนาลีเป็นคนทำผมก็ถามว่าทําเรื่องอะไรยายบอกว่าคนแรกเลยที่เข้ามาเนี้ย แล้วมาอยู่แล้วมาเห็นห้องเนี้ยอยากจะใช้ห้องนี้ไง<อ>แต่ตอนนี้พอเขาเล่าถึงห้องนี้ว่ามันคืออะไรยังไงเนี่ยแกก็เลยอยากจะให้โลออกเลย<อ>แล้วก็แบบมันเปิดประตูให้เปิดตายแล้วเอาของอะไรหรือว่าให้คนเนี่ยจากข้างนอกเนี่ยสามารถที่จะมาเช่าเอาห้องเนี้ยเป็นห้องที่ทําเป็นเหมือนโรงเรียนได้ในเมื่อมันอยู่ชั้นล่างอยู่แล้วอออ่ะืก็จะมีรายได้เข้าเรียนอีกหนึ่งจุดและตงเรีย็นอ่ะผอคนนั้นก็เดินตรวจตรวจโรงเรียนครับ พอขึ้นไปชั้นบนปุ๊บ ก, ก็มีผู้หญิงท่าทางแต่งตัวท่าทางดี ท, ท่าทางแบบเป็นคนมีความรู้มีการศาึกษาแต่เอาไอเขาเรียกอะไรนะพี่แจไอไวอลเกรอร์ว่าที่เป็นเหล็ ก, เ, ลกเดินเป็นคํำเดินไปเดินนะฮะอ๋ อ, อ, อเหล็กคํำเดิน <c oughs> อะไรพวกนั้นใช่มะ อ่านะนะผมผมก็เรียกมันหลุดมาเองแล้วก็พยายามจะลงจากขั้นบนลงมาอพอออขึ้นมาคุณป้าค่ะคุณป้ามาทําอะไรที่นี่ครับเนี่ยหมูเรขึ้นมาแค่สูงเลยนฉันเป็นครูที่นี่ค่ะทําไมผมไม่เคยเห็นเลยครับครัก่อนยืดนานลักษณะปอออค่ะแล้วก็เดินแบบพยายามที่จะลงจากบันไดอ่ะใช้ไอ้ขาเนี่ยมันก็จะยากนะครับ พอก็เดินขึ้นไปสองสำคัญช่วยจะไปพยุงมือแกก็เดินมือออกไม่เป็นไรค่ะเดินได้เดินได้อออได้ยินว่าพอจะรื้อห้องเครงบ้านหรอลคะครับอ๋อใช่ครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ตอบคำถามว่าคุณเข้ามายังไงแล้วบอเป็นครูทําไมผมไม่คุณเลยออแกก็หันมาพูดว่าขออย่ารื้อนะคะห้องนั้นน่ยมันมีคนอยู่มันมีคนดูแลแล้วก็เดินก้มหน้าือออคนนี้เขาก็ไม่จบพราะว่านี่เป็นใครก็ไม่รู้ไง เข้ามาอยู่ทางเรียนเอพระครับเดี๋ยวคุยก่อนทำแกขัเรือนหันว่าแล้วบอกโอ้ยโอ้ยก็พอเขาช็อกเหตุการณ์เนี้ยทําให้แกต้องแบบลาออกหลังจากแกลงมาเล่าให้พวกพะโลงฝั่งรัฐบลงคุณลุงคนนี้ด้วยก็เป็นหนึ่งดันที่บอกว่าคุณครูสุมาเร่องนี้ครับที่เสียชีวิตเล่านนี้แหละโอ้โหยังไม่เคยมีใครกล้าแตะเลยออืแกก็ป่วยค่อก็ป่วยลงแล้วก็ ออกไปในที่สุดสนคนที่สองเนี่ยก็จะเอาห้องเนี้ยเปให้ใช้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ทํางานแต่จะใช้สอนเหมือนเดิมนี่นแหละแต่จะให้มีการปรับเปลี่ยนหมดเอาโต๊ะทั้งหมดออกมาแล้วเอาโต๊ะใหม่เข้าไปเพราะว่าโต๊ะสมัยก่อนเนะี่ยมันเป็นโต๊ะทึงไม้ทึงเหล็กแต่ตอนรุ่นหลังมามันจะเป็นเหล็กแล้วเป็นไอ้ไม้ข า, ขาวๆเบาๆครับพี่แจ๊คอ่าใช่ใช่ใช่ใช่เขาจะเปลี่ยนอย่างนั้นหมดครับทีนี้พอบอกจะเปลี่ยนโต๊นะนะครับเปิดห้องใช้เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเพราะบอกแค่เปิดห้องใช้เนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นอะไรแกเลยนะครับ แต่เขาบอกจะเปลี่ยนโต้เนี่ยแหละมีเอผู้หญิงแก่คนนึงเข้าไปหาแต่ที่บ้านพ อ, อกํลาลังนั่งทานอาหารอยู่บนโต๊ะที่บ้านอะแล้วก็มีผู้หญิงแก่ปะะ็นเจาที่ที่กระจกว่าอ่าพอคะพอมีทุกาคุยด้วยค่ะตอนงคืนนะออืแต่ก็คึ้นงงงใส่เกงขาสั้นใส่เสื้อกล้ามอยู่บ้านก็เดินออกมาเปินกระจกคือพอท่านนี้ไม่มีใครอยาอยู่คนเดียวบ้านหลังใหญ่เลยครับ ก็เดินไปเปิกระอีกฝั่งหนึ่งเขาบ อ, อ้าวคุณป้าหายไปไหนคุณป้าครับคุณป้าอืปรากฏ ว, ว่าผู้หญิงคนนั้นเข้าไปนั่งอยู่ข้างในโซฟาเรียบร้อยแล้วโอ้ยคุณลูกว่ะอือืมอืมเจ๊ก็เลยหันมาแล้ ว, ลวก็เหมือนกำงงแต่งงคนมีการศึกษาวิเศษเขาไม่เคยเชื่ออะไรพวก น, นี้หรอกเขาก็คิดว่าเป็นวิชาชีรือว่าคงไปเข้าอีกทางหนึ่งแต่ก็เห็นว่ามีไอ้เล็กที่ค้ําเดินะมันทําำไมมันเดินไหววะแต่ก็เลยเดินมาเล่าคุยบอกคุณป้าเข้ามาไม่มีจุดประสงค์อะไรครับออื เราอยากจะมาบอกแค่ว่าอย่าเปลี่ยนโต๊ะนะคะับในห้องนั้นแหละาการเรียนการสอนอยากให้ใช้ของเดิมเดิม <c oughs> คือโต๊ะโต๊ะไหนห้องเรียนไหนห้องเรียนที่พอ อ, อวันนี้บอกว่าจะให้เปลี่ยนโต๊ะนะคะอือ <c oughs> ของเดิมมันก็ดีอยู่แล้วนะคะมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียาหายอีก <c oughs> ฉันมาพูดเร่องนี้แหละคะ่ะแล้วก็ลุกขึ้นเดินเดิน <c oughs> คือในขณะที่เราไปเนี่ยพออวันนี้ก็เดินตามเหมือนแบบมาได้เรื่องเท่าเนี้ย <c oughs> แล้วมันมันเป็นโครงการอะไรของคุณออื <c oughs> คุณป้าท่านนี้ก็เดินคนประตูออกไปแล้วพอออนี่ก็หันกลับไปเหมือนจะไปคว้าเอาข้าทุกอย่างมาคุมไหลพอหันกลับ ม, มาจิตไม่มีแล้ ว, ไ ม, มลวไม่มีใครตะคนเลยแล้วก็ไม่มีใครเดินออกจากรั้วด้วยก็ไปถามหาว่าอาจารย์ซูมารีช่ว่าเนี่ยที่เขาคุยกันว่าโด่งดังระยิณ์ตั้งหนหน้าตา ย, ยัางไงตั้งแต่ผมก็อยู่ผมไม่เคยใส่ใจเลยอพอเขาเอารูปมาให้ดูเขาบอกใช่คนนี้แหละก็แต่เขาขนาดนี้ก็ผมก็ ก็คงจะอยู่ยากนะเพราะความเห็นไม่ตรงกันนะแต่แกค่อนข้างที่จะไม่กลัวแต่แกก็ยอมที่จะออกอะยอมหักไม่ยอมงอเงี้ยเป็นอย่างนั้นก็คือห้องที่ไม่ยุ่งก็ได้แต่ออกดีกว่าใช่ครับใช่เหมือนเหมือนคุณครูท่านยังห่วงยังห่วงห้องเรียนยังห่วงในห่วงในวิชาชีพครับเออคือไม่ยอมไปไหนแล้วไม่ยอมให้ใครมามายุ่งกับห้องห้องเนี้ย โอ้คือเหมือนกับท่านยังยังสอนแต่ไม่รู้ว่าสอนใครก็ไม่รู้ว่ะน่ากลัวดูเย็นทุกวันนั่งฟังมาทุกวันนี้ห้อนี้ยังอยู่เลยครับยังอยู่ปะยังอยู่ครับและยังไม่เคยมีใครยุ่งได้ยังเป็นอมตะนิรันดร์การเทินเลยเฮ้ยหมายถึงว่าห้องที่คุณคิงกําลังเล่าอยู่ทุกวันเนี้ยมันก็ยังถูกปิดอยู่ยังอยู่ครับ <Wow. S 2> ผมยังถามรุ่นน้องรุ่นนเรียกว่า ร, รุ่นหลานดีกว่ า, uh, uh, ว า, าเวลาผมผ่ <h ath. S 2> านโรงเรียนผมมาถามว่าไอ้ห้องใต้อาคารเนี่ยยังอยู่ไหมเด็กกรบ อ, กอยู่ครับก็ยังล็อกอยู่ครับแต่เด็กจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจาก <h ath. S 2> เด็กที่อยู่หกโมงเย็นกับพะลงในโรงเรียนนั้นนะผมเชื่อว่ารู้แน่นอนคโ oh. อ้โหเออมัน ค, คล้ายๆกับเอเรื่องเล่าไปอันนั้นเป็นเป็นเป็นเป็นป น, ป น, น่าจะเป็นมหาวิทยาลัย นะครับเหมือนกับมีลักษณะแบบนี้คือเามันไม่ใช่หนังนะคุณผู้ฟังมันจะมีหนังเรื่องหนึ่งคื อ, อมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนั้นจะเป็นหนังผีแต่นี่เขาจะมีเหมือนกับเป็นอยู่ทางภาคเหนือถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้เป็นห้องเรียนแบบนี้แต่เอ่อเหมือนกับเขาเปิดให้บางสิ่งบางอย่างเขาเขาไปเรียนเขาเขาไปสอนอะ ผมจำรายละเอียดดีเทลไม่ได้แต่ลักษณะคล้ายๆแบบนี้แต่นั้นเป็นมหาวิทยาลัยเออนะครับอันนี้เป็นโรงเรียนถ้าเราเทียบกันก็คือจะเป็นโรงเรียนระดับประถมได้ไหมอ่าเป็นมัธยมครับอ๋อเป็นมัธยมเป็นมัธยมที่หนึ่งก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังนะนะครับเรื่องของห้องปิดเรียนเปิดเออโอเคเป็ น, นตั้งแต่มอนหนึ่งถึงมอง ทุกวันนี้โรงเรียนนี้มีอาคารเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2-3 สามอาคารพัฒนาขึ้นเยอะสมัยผมเรียนอยู่นั่นยังวันดีคืนดีก็ขอผลตกก็เป็นบอ่อตุ่ปตาน้ำร่วมเออนะครับแต่คุณคิงบอกว่าห้องนี้ยังอยู่แม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเจริญก้าวหน้าไปขนาดไหนแต่ไม่มีใครกล้าที่จะไปยุ่งกับห้องเรียนห้องนี้เออนะครับนี่คือเรื่องแรกนะคุณคิงนะฮะแหมเรื่องแรกก็ตื่นเต้น หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม u b s c ไ i b e c h anel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ